เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญต่อชีวิตจิตใจของตนการศึกษานี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษา เราก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุของความสุขอะไรเป็นเหตุของความทุกข์แต่ถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้จากเหตุของความสุขและของความทุกข์เมื่อเรารู้เราก็จะได้สร้างเหตุของความสุขแล้วก็ลังนับ การกระทาที่เป็นเหตุของความทุกข์เมื่อเราทำแต่เหตุที่ให้เกิดความสุขเราก็จะมีแต่ความสุขตามมาถ้าเราละเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นตามมานี่คือหลักการง่ายๆของพระพุทธศาสนาคือการศึกษา ให้รู้เหตุรู้ผลแล้วนำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะได้ผลที่ปรารถนาคือได้แต่ความสุขความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นภายในใจธรรมะสำหรับวันนี้ที่จะเอามาฝากท่านนี้ ก็เป็นเรื่องของความสุขของคารวะผู้คลองเรือนคารวะผู้คลองเรือนนี้จะมีความสุขได้ต้องมีเหตุอยู่สี่เหตุ ด, ด้วยกันสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งประการที่หนึ่งก็คือการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสุข ขึ้นมาเหตุข้อที่สองก็คือการได้ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่หรือได้มาก็จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาข้อที่สามคือการไม่มีหนี้สินเพราะการมีหนี้สินนี้เป็นความทุกข์ทำให้ใจต้องทุกข์เพราะต้องคอยกังวลกับการ หาทรัพย์สมบัติเงินทองมาใช้หนี้นั่นเองและข้อที่สี่คือการกระทำที่ไม่เกิดโทษตามมาเช่นการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎระเบียบต่างๆไม่ผิดศีลธรรมเพราะว่าถ้าไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลธรรมก็จะมีโทษตามมานั่นเองนี่คือหลักการของคารวะผู้ครองเรือนถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องสร้างเหตุสี่ประการนี้ขึ้นมาให้ได้เมื่อเรา ไ, ได้เหตุสี่ประการนี้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุข วิธีสร้างเหตุข้อที่หนึ่งคือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มามการจะมีทรัพย์ได้หรือได้ทรัพย์มาก็ต้องมีการกระทําที่จะทําให้เกิดทรัพย์ขึ้นมามเช่นการไปทํางานทําการไปทําหากินโดยอาชีพสุดจริตเราก็จะ ได้เงินเดือนได้รายได้ขึ้นมาเราก็จะมีทรัพย์อันนี้วิธีที่จะมีทรัพย์วิธีแรกก็คือการหาการทำมาหากินโดยอาชีพสุดเจริญเพราะว่าถ้าเราไม่ทำมาหากินอยู่เฉย เราก็จะไม่มีรายได้เราก็จะไม่มีทรัพย์เข้ามาถ้าเราอยากจะมีทรัพย์เข้ามาเราก็ต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองกันแล้วก็ต้องหาเงินหาทองโดยวิธีที่สุดจริตคือการกระทำที่ไม่เกิดโทษนั่นเองถ้าเราหาเงินโดยวิธีการที่ทำให้เกิดโทษเช่นไปทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรม เราก็อาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางได้เ mm hmm. งินทองที่เราหามาได้โดยไม่ชอบก็อาจจะถูกยึดไปก็ได้ด mm hmm. งนั้นวิธีทำมาหากินหาทรัพย์ที่ไม่เกิดโทษจึงเป็นประการสาคัญ mm hmm. อย่าไปทำมาหากินหาเงินหาทางหองโดยอาชีพไม่สุดิตเช่ mm hmm. นผิดกฎหมายเช่ mm hmm. นค้ายาเสพติด ทำอาชีพอะไรที่กฎหมายเขาห้ามไว้ไม่ให้กระทำอย่าไปกระทำช่อโกงรักทรัพย์ของผู้อื่นอันนี้ทำแล้วจะมีโทษตามมาไม่ชา้าก็เร็วทรัพย์ที่ได้มาก็จะไม่ได้ให้ความสุขกับเราเพราะว่าใจของเราจะทุกข์จะกังวลกับการกระทำผิดของเรา แล้วความทุกข์ของใจนี้ใช่แต่ว่ามันจะหมดในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เท่านั้นหลังจากที่เราตายไปแล้วการกระทาผิดศีลผิดธรรมยังมีโทษตามดวงวิญญาณของเราไปด้วยดวงวิญญาณของเราก็จะต้องไปเกิดในอบายไปรับผลของการกระทาผิดศีลธรรม ถ้าทำผิดศีลและทำทำบาบด้วยความหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกรเกียดเครียดแค้น ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณอยู่ในนรก น, นี่ผลที่เกิดจากการกระทำผิดศีลธรรมนะมันยังตามดวงวิญญาณไปต่อแต่ถ้าทำผิดกฎหมายกฎหมายก็จะตามไปแค่ความตายของร่างกายถ้าร่างกายตายไปแล้วกฎหมายก็จะไม่ไปจับคนตายไปลงโทษอีกต่อไป หรือว่าจบกันไปดังนั้นการที่จะมีทรัพย์นี้ต้องมีโดยวิธีที่สุดจริตถึงจะมีความสุขถ้ามีทรัพย์โดยวิธีทุทจริตนี้จะเป็นความทุกข์จะให้ความทุกข์ถึงแม้จะมีทรัพย์เอามาใช้สอยใช้ใจ่ายแต่ใจจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะใจจะคอยวิตกกังวลกับ การกระทมที่ไม่ถูกที่เป็นโทษที่จะมีโทษตามมาวิธีหนึ่งนี้ก็คือวิธีหาทรา์โดยวิธีสุดจริตถ้าเราทามาหากินโดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎระเบียบต่างๆก็จะไม่มีโทษตามมากฎหมายเขาก็จะไม่มาลงโทษเรากฎระเบียบต่างๆเขาก็ไม่มาลงโทษเรา กฎแห่งกรรมคือศีลธรรมก็จะไม่มาลงโทษเราดังนั้นการจะมีทรัพย์นี้ควรจะมีทรัพย์ด้วยการหามาด้วยวิธีสุจริต <Yeah. S 1> อีกวิธีหนึ่งของการมีทรัพย์ก็คือ <Yeah. S 1> การได้ทําบุญมาในอดีตชาติ <Yeah. S 1> คนบางคนนี้ในอดีตชาติเคยทําบุญมาอยู่อย่างสม่ําเสมอ บางคนก็ทำมากบางคนก็ทำน้อยเ mm hmm. พราะมอเกิดในโลกนี้ก็มีเงินทองรออยู่มาเกิดเป็นลูกของคนที่มีฐานะ mm hmm. การเงินที่ดีเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเกิดเป็นลูกของคนมีฐานะปานกลาง mm hmm. เกิดที่คนมีสตัง mm hmm. คือไม่ต้องดิ้นรนไปหาเงินหาทองมีพ่อแม่เลี mm hmm. ้ยงดูมีมรดก ทิ้งให้ไว้ใช้อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทาบุญทำทานมาในอดีตชาติอันนี้เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกฎแห่งกรรมนนกฎแห่งกรรมนี้มันไม่ได้หมดที่ที่ความตายของร่างกายนนมันตามเพราะข้ามภพข้ามชาติต่อไปทั้งบุญและบาปถ้าถ้าไปทำบาปมา เกิดมาชาตินี้ก็อาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรตามมาจองเวรจองกรรมกันอีกหรือถ้ามาเกิดก็จะมาเกิดในฐานะที่ยากจนไม่ไม่ร่ำไม่รวยไ ม, ไม่ไม่มีไม่มีผู้ปกครองที่มีฐานะดีเกิดมาลำบากยากเข็นอันนี้เป็นเพราะว่าไปทำบาป ท, ทำกรรมมาในอดีต จึงทำให้มาเกิดไม่ดีในภพนี้ถ้าทำบุญทำทานมาอยู่เรื่อยๆถ้าทำมากก็จะมาเกิดร่ำรวยมากถ้าทำน้อยก็จะมาเกิดร่ำรวยน้อยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ทำให้เราได้ทรัพย์หรือมีทรัพย์ขึ้นมาได้แต่เนื่องจากว่าเราย้อนอดีตไปไม่ได้เราก็ ต้องวางแผนไว้สำหรับอนาคตเผ<ม>ื่อว่าชาติหน้าเรายังต้องกลับมาเกิดอีงถ้าเรายังไปไม่ถึงพานิพานเรายังต้องกลับมาเกิดอีงเราก็ควรที่จะทำเผื่ออนาคตมีเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้อย่าเอาไปใช้กับสิ่งที่ไม่มีคุณมีประโยชน์เอามาทำบุญทาทานจะดีกว่า เพราะเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตสำหรับชาติหน้าพบหน้าต่อไปเวลาเราตายไปแล้วเราจะต้องกลับมาเกิดอีก mm hmm. ถ้าเรายัางไปไม่ถึงพระนิพพาน mm hmm. เราก็ต้องกลับมาเกิดอีกอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอดีตชาติก็เคยเป็นพระเวชสันดร mm hmm. ทำบุญทาทานอย่างมากมายกายกองไม่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง mm hmm. เขารู้ว่าเป็นสมบัติชั่วกราวตายไปก็เอาไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร <Okay. S 2> ก็เลยเอาเงินที่มีที่ตัวเองไม่ไม่ต้องอาศัยไม่ต้องมีใช้นี้เอามาทําบุญทําทานอย่างเต็มเต็มที่เลยมีเท่าไหร่นี้เทนั้นเทหน้าตักไปเลย <Okay. S 2> พอตายไปอ น, นิสงค์ของบุญก็จะพา ดวงวิญญาณให้ไปอยู่ในสวรรค์ก่อนแล้วพอถึงเวลาที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์<ม>ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีมาเป็นพระราชกูมารเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน ม, มีทรัพย์สมบัติร อ, อคอยอยู่แล้ว<ม>ทรัพย์สมบัติที่เคยทำไว้ในชาติก่อนนี่เองการทำบุญทำทานในชาติก่อนนี่แหละ เป็นการสร้างทรัพย์สมบัติให้กับเราในชาตินี้เราจึงมาเกิดไม่เท่าเทียมกันบางคนก็รวยมากบางคนก็รวยน้อยบางคนก็ยากจนบางคนก็ไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นเหตุมาจากอดีตชาติถ้าทํามากก็จะมามีเงินทองมารอเรามากทําน้อยก็จะมีเงินทองมารอเราน้อย ทำไม่ทำเลยก็ไม่มีเลยแล้วถ้าไปทำบาปไปรักทรัพย์ไปอะไรก็จะกลับมาทุกข์ยากลำบากขึ้นอีกอันนี้คือเรื่องของการมีทรัพย์ที่จะทำให้เรามีความสุขถ้าเราชาติก่อนอเคยทำบุญทำทานมามากน้อยเราก็จะมาเกิดในฐานะที่ ที่สูงที่ต่ำตามอำนาจของบุญของบาปของเราถ้าเรามีไม่พอใช้ในภพนี้ชาตินี้เพราอาจจะทำมาน้อยเราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการตั้งใจทำมาหากินโดยอาชีพที่สุดจริญหาเงินหาทองมาขยันหมั่นเพียรทางาน ต่อไปเราก็จะมีเงินทองมีรายได้เข้ามามเราก็จะมีความสุขจากการได้ทรัพย์หรือจากการมีทรัพย์<ม>อันนี้คือความสุขข้อที่หนึ่งของผู้ครองเลย<ม>ความสุขข้อที่สอง<ม>คือการได้ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่นี่ถ้าเรามีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาแล้วเราเก็บไว้เฉยๆเราก็จะไม่ค่อยได้รับความสุขจากการ มีทรัพย์หรือใช้ทรัพย์เพราะว่าเหมือนกับไม่มีนั่นเองถ้ามีแล้วไม่ใช้ก็เหมือนกับไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขมีการใช้ทรัพย์นี้ก็มีใช้ในสองรูปแบบด้วยกันใช้ให้เกิดความสุขใช้ให้เกิดประโยชน์หรือใช้ให้เกิดโทษใช้ให้เกิดความทุกข์ก็ได้ วิธีใช้เงินใช้ทองนี้ต้องรู้จักวิธีใช้ที่ทำให้เกิดความสุขอย่าไปใช้วิธีที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาการจะใช้เงินทองให้เกิดความสุขใช้อย่างไรก็ใช้เอามาเลี้ยงดูล่างกายของเราเน่างกายของพวกเราทุกคนนี่ต้องมีปัจจัยสี่เลี้ยงดูถึงจะอยู่อย่างมีเป็นสุขอย่างอยู่อย่างอยู่่เป็นสุขได้ คือร่างกายต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่มีบ้านมีที่อยู่อาศัยไว้อยู่แล้วก็มียารักษาโรคไว้ดูแลเวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราเอาเงินมาใช้ให้กับปัจจัยสิ่เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุข เราก็จะมีความสุขจากการที่เรามีทรัพย์จากการที่เราได้ใช้ทรัพย์ไปในทางที่ถูกใช้ไปในการเลี้ยงดูร่างกายของเราแล้วถ้าเรายังมีเหลืออยู่ถ้าเราอยากจะคิดเผื่อนาคตเราก็เอาเงินที่เหลือนอี่ที่เราไม่ต้องมาใช้ให้กับการเลี้ยงดูร่างกายนี้ ไปใช้ในการลงทุนสำหรับอนาคตคือภพหน้าชาติหน้าเอาเงินที่เหลือกินเหลือใช้นี้มาทำบุญทำทานนี่คือวิธีใช้เงินที่จะทำให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันชาติและในอนาคตตะชาติที่จะตามมาต่อไปหลีกเลี่ยงวิธีใช้เงินที่จะทำให้เกิดโทษการใช้เงินที่เกิดโทษใช้อย่างไร ก, การใช้เงินไปกับการเสพ บ, บายามุกต่างๆใช้กับการซื้อสุอรายาเมาของมึนเมาต่างๆมาเสพใช้กับการเล่นการพนัน <ๆ S 1> ใช้กับการเที่ยวเตะ <ๆ S 1> เพราะการกระทำเหล่า น, นี้มันจะทำให้ติดเป็นนิสัยแล้วจะต้องใช้บ่อยๆใช้อยู่เรื่อยๆไม่ใช้ก็เร็วเงินทองที่มีอยู่ ก็จะไม่พอใช้ได้พอไม่พอใช้ก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินแทนที่จะอยู่แบบไม่มีหนี้สินก็ยังต้องไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาซึ่งเป็นผิดกับหลักของความสุขของคารวะข้อที่สามหลักของความสุขของคารวะข้อที่สามก็คือการไม่มีหนี้สิน พอมีนี้สินแล้วมันก็ต้องมีภาระที่จะต้องเอาไปใช้จ่ายเอาไปใช้คืนเขา mm hmm. ถ้าไม่ใช้ก็อาจจะมีโทษตามมา mm hmm. เขาอาจจะจับเราไปฟ้องร้อ ง, องมายึดทรัพย์ mm hmm. มายึดอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ mm hmm. หรือถ้าไปเจอกับนักเลง mm hmm. เขาก็อาจจะคนเอาคนมาทุบทาทุบตีเราทำร้ายเราได้ ดันั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้ทรัพย์ไปในทางที่ผิดในทางที่ม่ควรจะใช้เช่นร่าบายามุ่งนี้มันไม่ได้ทำให้เกิดรายได้ขึ้นมามีแต่รายจ่ายใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดเวลาใช้แล้วมันจะติดมโนดไม่ได้เคยเดินสลาแล้วมันก็ต้องเดินสลาอยู่เรื่อยๆเคยเล่นการพนันมันก็จะเล่นการพนันอยู่เรื่อยๆ เคยเที่ยวมันก็จะเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อไปเมื่อไปเที่ยวก็จะไม่มีเวลาไปทำงานเมื่อไปเดื่มสุราเมื่อไปเล่นการพ น, นันก็จะไม่มีเวลาไปทำมาหากินหาเงินหาทองมาเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงทองของตนเอง<ม>พอเงินทองไม่พอก็อาจจะบางตนก็อาจจะไปกู้นี่ยืมสินมาก่อน<ม>แล้วต่อมาถ้าไม่กู้ไม่ได้ก็อาจจะต้องไปลักขโมย ไปทำไปทาการกระทำที่เกิดโทษตามมา yeah. Yeah. ความสุขข้อที่สามกับข้อที่สี่ก็จะไม่เกิดคือการไม่มีนี่นะการไม่มีไ ม, ไม่ไม่กระทำในไม่ทาในสิ่งที่เป็นโทษ <Yeah. S 1> ถ้าหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่ผิดได้อย่าไปใช้เงินกับการเสพอบายามุข <Yeah. S 1> หรือแม้แต่ของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหรา ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ควรที่จะไปซื้อมาการใช้เงินนี้ถ้าอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดหนี้สินตามมาก็ต้องใช้ตามฐานะของเราใช้แบบมากน้อยสันโดดไม่จําเป็นจะต้องใช้ของแพงๆเสมอไปของราคาที่แพงกับของราคาที่ถูกนี้ ก็สามารถทำหน้าที่อย่างเดียวกันได้ mm hmm. เช่นกินอาหารมื้อละร้อยกับกินอาหารมื้อละห้าร้อยหรือห้าพันมันก็ทำหน้าที่ให้กับร่างกายเท่ากันเกิดเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้อดยาขาดแคลนไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันดันั้นควรจะใช้หลักมากน้อยเกิดใช้น้อยๆ ใ, ใช้เท่าที่จาเป็นต่อความต้องการของร่างกาย ร่างกายต้องการอาหารก็ซื้ออาหารมาให้กินอาหารก็มีหลายราคาแต่หน้าที่ของอาหารก็ทำหน้าที่อันเดียวกันคือทำให้ดับความหิวของร่างกายแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมือ 100, ม้อละร้อยหรือมื้อละห้าร้อยหรือมื้อละห้าพันบางคนก็ต้องกินมือ 50, ม้อละห้าหมื่นก็มีอันนี้เป็นการใช้ทรัพย์แบบฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพย์แบบที่อาจจะทำให้เกิดโทษตามมาต่อไปได้เพราะว่าเงินทองมันก็จะลดน้อยถอยลงไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเอ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำข้อที่สามข้อที่สี่คือการไปมีหนี้หรือการไปทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเราก็ต้องหัดใช้ชีวิตแบบมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิด มีมากก็ก็ใช้มากได้มีน้อยก็ใช้น้อยให้รู้จักฐานะของเราให้อยู่ในกรอบของรายได้ของเราอย่าใช้ใจ่ายเกินตัวอย่าใช้ใจ่ายเกินรายได้ของเราเพราะถ้าใช้เกินรายได้ของเราเราก็ต้องไปโปะส่วนต่างด้วยการไปกู้หนี้ยืมสินยิ่งสมัยนี้เขามีวิธีล่อให้เราติดเป็นหนี้เป็นสิน คือเราไม่ต้องซื้อของสดไม่ต้องจ่ายเงินสดกันอยากจะได้อะไรก็จ่ายแค่สิบเอร์ซนดาวไปสิบเอร์ซอีกเก้าสิบอร์ซก็กลายเป็นหนี้เขาไปนะตอนมีหนี้ก็รนี้ก็ต้องมีความกังวลกับการที่จะต้องหาเงินมาใช้หนี้เหตนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปมีหนี้มีสินอย่าไปซื้อของผ่อนเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าอยากจะซื้ออะไรซื้อซื้อด้วยเงินสดดีกว่า ซื้อด้วยเงินสดก็จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับการซื้อแบบเงินผ่อนแล้วระหว่างที่เราเก็บเงินไว้รอรอเอาเงินไปซื้อของด้วยเงินสดเราไปฝากธนาคารเราก็จะได้ดอกเบี้ยเพราะนั้นเวลาซื้อของด้วยเงินสดกับซื้อของด้วยเงินผ่อนนี่ราคาจะต่างกันอาจจะถึงสองสามเท่าได้ก็ได้เหนมถ้าเรายังไม่มีเงินพอที่จะซื้อของ ด้วยเงินสดได้ก็อดใจไว้ก่อนนะอดเปรี้ยวกินหวานไว้ก่อนรอไว้กินหวานนะอยู่ไปก่อนไม่ตายนะนอกจากถ้าเป็นของที่จำเป็นจริงๆเช่นปัจจัยสี่อาหารอะไรแ่า น, นี้อันนี้ก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องไปมีนี่แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ใช้แบบสันโดษไม่มีก็อดบ้างอดมือ้อกินมือ้ออะไรไปนะ เคยใช้เคยกินมือละห้าร้อยก็ลดลงมาเหลือลมือละร้อยอย่างนี้เป็นต้นก็จะสามารถประคับประคองการใช้จ่ายของเราไม่ให้ขาดตกบกพร่องไม่ให้จำเป็นจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปทำผิดกฎหมายบางทีเงินทางเราไม่พอใช้เราก็อาจจะไปทำบาปทำผิดกฎหมายไปชออ่อโกงไปรักทรัพย์เป็นต้น ซึ่งแทนที่จะมีความสุขก็เลยกับเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองอันนี้คือวิธีอยู่แบบที่เราจะไม่ต้องมีหนี้วิธีใช้เงินที่ถูกต้องจะทำให้เราไม่ต้องมีหนี้ใช้ใจ่ายตามความจําเป็นของร่างกายร่างกายต้องมีปัจจัยสี่ก็หามาหาปัจจัยสี่ที่มีราคาน้อยที่สุดที่ทำหน้าที่ได้เท่ากับ ปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงเ<ม>ช่นะอาหารมื้อละร้อยกับอาหารมื้อละห้ารอยก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันเสื้อผ้าชุดละพันกับเสื้อผ้าชุดละห้าพันมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันไว้ปกปิดอวัยะวะร่างกายป้องกันอากาศหนาวเย็นที่มากระทบกับร่างกายได้เหมือนกัน<ม>ให้รู้จักใช้เงินแบบมัธยัสประหยัดมัธยัสแบบมากน้อยสันโดษ แล้วเราก็จะได้มีความสุขในข้อที่สก็คือการไม่มีนี่สินแล้วเราก็จะมีความสุขจากข้อที่สคือไม่ไม่มีการกระทาที่เกิดโทษเมื่อเรามีเงินทองพอกินพอใช้เราไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปทำผิดกฎหมายไปทำผิดระเบียบไปทาบาป ท, ทากรรมอะไรต่างๆเราก็จะไม่มีโทษตามมาชีวิตของเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ขอให้เราอย่าไปคิดว่าความสุขอยู่ที่ปริมาณว่าจะต้องมีเงินทองมากต้องมีข้าวของมากต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆ ต, ต้องมีอะไรมากๆ ม, กมิต้องมีของแพงๆอันนี้เป็นความเข้าใจผิดความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือการมีพออยู่พอกินการกระทาที่ไม่ไม่เกิดโทษการไม่มีหนี้สินต่างหาก ถ้าเราสามารถกระทำตามเหตุสี่ประการนี้ได้ชีวิตของการของการเป็นคารวะผู้ของเรือนก็จะอยู่อย่างมีความเป็นสุขแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยด้วยปลอดภัยจากโทษขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางบางคนที่มีเงินเป็นหมื่นล้านก็ยังต้องน้ก็ยังต้องไปติดคุกติดตาราง ก็เพราะว่าไปทำผิดกฎหมายมานั่นเองก็ต้องถูกจับไปลงโทษเงินทองหมื่นล้านก็ไม่สามารถที่จะช่วยไม่ให้ไปติดคุกติดตารางได้นอกจากนั้นแล้วเงินทองที่เป็นหมื่นล้านแสนล้านก็จะไม่สามารถช่วยดวงวิญญาณของผู้ที่กระทำบาปได้พอตายไปแล้วดวงวิญญาณก็ต้องไปรับผลบาปต่อไปอไปเกิดในอบายสี่ที่ ทำบาบด้วยความหลงกไ็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทำบาบด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่หิวโหยทำบาบด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปเป็นดวงวิญ ญ, ญาณอยู่ในนรกถ้าไม่ทำบาบก็ไม่ต้องไปเกิดในอาบายถ้ามีโอกาสมีเงินเหนือเฟือเหนือเงินเอาเงินไปทำบุญทำทาน ตายไปกับได้ไปสวรรค์ไม่ดีกว่านะแล้วพบหน้าชาหน้างเงินที่เราทำบุญก็จะมารอต้อนรับเราอีกในข้าวต่อไป mm hmm. เราก็จะไปเกิดแบบมีฐานะอยู่กินดีสบายดีเกิดอยู่กกับพ่อแม่ที่มีฐานะที่ร่ารวยมีเงนินมีทองอัน mm hmm. นี้แหละคือวิธีการศึกษาเหตุตามหลักของพระพุทธศาสนา ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญที่เขาพูดกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องของเหตุของผลเราไม่ได้บังเอิญมาเกิดรวยหรือบังเอิญมาเกิดจนที่เรามาเกิดจนมาเกิดรวยมีก็คือมีเหตุที่เราทำมาในอดีตชาติทำบุญมาก็จะมาเกิดรวยทำบาป ม, มาก็จะเกิดจนอยู่อย่างขณะที่มีชีวิตอยู่อยู่อย่างมีปัญหาอยู่อย่างมีความทุกข์ ก็อยู่ที่การไม่รู้จักเหตุว่าอยู่อย่างไรถึงจะทําให้เกิดมีความสุขถ้ารู้จักเหตุ4ประการนี้แล้วสามารถปฏิบัติตามได้ก็จะมีความสุขไปตลอดชีวิตได้อย่างแน่นอนคือให้รู้เหตุของการมีความสุขว่าเกิดจากการมีทรัพย์ได้ทรัพย์เหตุที่สองของความสุขก็คือการการได้ใช้ทรัพย์ที่ ที่ไม่ผิดใช้ทัพย์ในในวิธีที่ถูกแล้วการไม่มีหนี้สินและการไม่กระทำการกระทำที่เกิดโทษตามมาถ้าเราสามารถที่จะสร้างเหตุเหล่านี้ให้กับชีวิตของเราได้ ช, ชีวิตของเราก็จะมีความสุขไปตลอดจนถึงวันตายเลยอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือเรื่องของธรรมะ ที่อามาฝากท่านในวันนี้ซึ่งพอสมควรแก่เวลาที่เราได้กําหนดไว้เคอจะมีการแสดงทาประมาณสามสิบนาทีในช่วงแรกแล้วช่วงที่สองอีกสามสิบนาทีนี้เราจะมาอฏิบัติธรรมกันมาสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์ไม่ต้องมีทรัพย์ความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบ ทำใจให้นิ่งที่เราเรียกว่าการนั่งสมาธินี่การนั่งสมาธินี้เป็นการเจริญสติเอาสติมาคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆด้วยการผูกใจไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นอารมณ์ที่สามารถทำให้หยุดความคิดได้อารมณ์เหล่านี้เราเรียกว่ากรรมฐาน กรรมฐานในตำลาก็มีสแสดงไว้ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราเวลาใช้ก็เราก็ใช้เพียงชนิดเดียวเวลาเรานั่งสมาธินี้เราก็เลือกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เหมาะกับเราที่เราสามารถใช้แล้วดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเราทําใจให้นิ่งสงบได้เราก็ใช้อารมณ์นั้นตาม ที่ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติมาก็จะมีสองสามอารมณ์ด้วยกันเวลาที่เรานั่งสมาธิที่เราอาจจะเลือกได้ขึ้นอยู่กับภาวะของจิตใจของเราด้วยว่าจิตใจของเราวุ่นวายฟุ้งซ่านหรือไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านเวลาเริ่มต้นนั่งสมาธิถ้าใจเรายังวุ่นวายฟุ้งซ่านอยู่ก็อาจจะใช้การสวดมนต์เป็นอารมณ์ไปก่อน สวดมนไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงส่วนบทธรรมบนใดที่เราจำได้สวดไปหลายๆรอบสวดไปจนรู้สึกความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจหายไปแล้วเราก็มาเปลี่ยนมาเป็นการใช้การบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธซึ่งเป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสติใช้พุทธานุสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธ หรือบางท่านก็จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องอันนี้คือการเจริญอาณาปานะสติอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกถ้าเรามีการระลึกรู้มีการ ด, ดูลมเข้าลมออกดูลูกพุโทโธพุทโธใจของเราก็จะ ลดความคิดลงไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะนิ่งสงบได้เอใจหยุดคิดปั๊บใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการมีเงินมีทองจากการได้ใช้เงินใช้ทองเป็นความสุขที่ที่ผู้ที่ปรารถนาความสุข ที่เหนือกว่าความสุขจากการมีทรัพย์จะมาแสวงหากันและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆนอกจากการมีสติในตัวของเราเองนี้เท่านั้นเองไม่ต้องอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้มาเป็นเหตุทาให้เกิดความสุขให้กับเราอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะมาฝึกมาซ้อมกันบ้าง เผื่อวันหน้าเวลาเราไม่มีทรัพย์หรือไม่มีเงินทองไม่พอใช้เราอาจจะต้องลดค่าใช้ใจ่ายลงเราต้องประหยัดอดออมเราจะรู้สึกไม่มีความสุขจากการไม่ได้ใช้ทรัพย์เราก็หามาหาความสุขจากการทำสมาธิแทนก็ได้ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้เราก็จะได้ความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์นรจากการใช้ทรัพย์ด้วยซ้ําไปดังนั้นเราควรจะมีวิธีการหาความสุขสำรองไว้เกิดความสุขแบบใช้เงินใช้ทองแบบมีเงินมีทองนี้มันไม่มันมีอุปสรรคหรือมันมีปัญหาเราก็มาหาความสุขจากการทําใจให้นิ่งให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ เราต้องทำบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะนั่งปุ๊บแล้วจะได้ผลปั๊บเลยยกเว้นคนที่เคยทำมาแล้วในอดีตชาติคนที่มีสติที่ที่แข็งแกร่งที่มีกำลังมากสามารถสั่งให้หยุดคิดได้เลย mm hmm. นั่งสมาธิห้านาทีจิตก็สงบจิตก็รวมเป็นหนึ่งเป็นหะึ่งกตาลม ก็มีความสุขขึ้นมาแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ต้องใช้เวลานั่งกันไปพุดโทกันไปบ้างดูลมหายใจบ้างสวดมนต์ไปบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความจำเป็นทำไปอาจจะไม่ได้สงบบ้างนะักแต่อย่างน้อยก็เบาจากความวุ่นวายใจเบาจากความฟาุ้งซ่านแต่ยังไม่ถึงขั้นรวมไปในในระยะเริ่มต้นก็ได้ ก็ไม่ต้องท้อพยายามทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆ อ, อยังมีคาพูดว่ากรุงลมไม่ได้สร้างขึ้นมาภายในวันเดียวการนั่งสมาธิก็ไม่ได้เกิดผลขึ้นมาทันทีทันใดหลังจากที่เรานั่งเป็นครั้ ง, รรงแรกครั้งเดียวอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีก็ได้แต่ก็ขอให้เราทำจะเร็วจะช้าอยู่ที่ว่าเราทามากทาน้อยอสิ่งที่เราต้องทาก็คือสติ ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่เฉพาะนั่งสมาธิเวลานั่งไม่นั่งสมาธิเราก็ต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาให้ได้เพราะถ้าเรามีสติมากเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วถ้าเรามีสติน้อยจิตก็จะสงบได้ช้าได้ยากถ้าอยากจะนั่งแล้วจิตสงบได้เร็วเราก็ต้องเจริญสติระหว่างวันตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เราเริตาขึ้นมานี้ เรายัางสามารถเจริญสติได้เราสามารถเรานึกถึงพุทธพุทธะไปภายในใจได้หรือนึกถึงบทสวดมนต์ไปก็ได้หรือถ้าจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เพราะเวลาที่เราไม่นั่งการดูลมนี้มันจะดูยากกว่าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็เปลี่ยนจากการดูลมมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ เราต้องมันฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิถ้าเรามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจมันก็จะนิ่งได้เร็วได้ง่ายแถ้ามีสติน้อยใจคิดมากใจฟุ้นวุ่นวายใจฟุ้งซ่านเนี่ยโอกาสที่จะทําให้มันนิ่งสงบเต็มที่นี้มันก็จะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นนอกจากเวลานั่งสมาธิจเจริญสติแล้วในขณะที่นั่งสมาธิแล้ว เวลาที่เราไม่นั่งสมาธิเราก็ต้องเจริญสติต่อเจริญในระหว่างวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจอาบน้ำนัำ่งหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยฝึกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีสติเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและเวลานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งจะสงบได้ง่ายขึ้นได้นานขึ้น ขณะที่นั่งสมาธิอยู่ก็อย่าไปสนใจกับอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นพระเป็นเสียงเป็นอะไรเป็นรูปเป็นอะไรก็ตามเป็นความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานที่เราผูกใจเอาไว้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปหรืออยู่กับบทสวดมนต์ไปอย่าไปตามนู้นเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจในขณะที่นั่งเพราะถ้าตามนู้นแล้วใจจะไม่สงบ ใจจะเริ่มคิดคิดมากขึ้นมากขึ้นแล้วในที่สุดก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าอยู่กับกรรมฐานได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบขึ้นตามลำดับไปเรื่อยๆต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิเจรินสติกันเลือกเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่เหมาะสมกับเราในเวลานี้จนกว่าจะหมดเวลา ตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหม ถ, ถ้าสงบดีก็ให้จำวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อได้เลยจิตก็จะสงบได้เหมือนกับวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้โดยที่ไม่ได้ทำทำเหตุที่ทำให้สงบมันก็จะไม่สงบ จดจำวิธีนั่งไว้ถ้ามันสงบดีถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าเรายังมีสติไม่มากพอ mm. ก็ควรที่จะหมอนจเจริญสติ mm. เวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิด้วยพ mm. ยายามบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆหรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวอย่าไปทาอย่าส่งใจไปที่อื่นแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายได้เร็ว ต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตจินางเปตานังอุปกาปิอิจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยะามณะโชติราโซยะาสัพพิติยวิวาจันตุสัพารุโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสะนิจจังอุททะปจายโน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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบในมัสกการหลวงพ่อเจ้าค่ะทาง f a c e b o o สอง2้อยสามสิบสองท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติไลฟ์สามรอยแปดท่าน YouTube ดร V ว6สามสิบหกท่านวิทยุออนไลน์สิบท่าน ครับเฮาสี่ท่านหน้ากุฏิหนึ่งร้อยสี่ิบแปดท่านรวมทั้งหมดเจ็ด้อยสาสิบแปดท่านเจ้า ค, ค่ะมีคำถามก็อ่านได้เลยอ่านช้าๆใจเย็นๆค่ ะ, ะคำถามจากเฟ e บุ๊ k นะคะการที่เราได้ไปวัดแล้วบูชาสังฆทานเวียนที่วัดนะคะแล้วเราถวายพระด้วยเงินเพียงเล็กน้อยแต่เราอยากทำบุญจะได้บุญไหมเจ้าค่ะได้ได้ บุญเกิดจากการเสียสละทรัพย์ของเราไม่ได้อยู่ที่ของไม่มีไม่มีของก็เอาเงินใส่ตู้บริจาคไปก็ได้เหมือนกันได้บุญเหมือนกันส่วนทางวัดก็จะไปเวียนไม่เวียนนี่มันก็เป็นแล้วแต่บางทีญาโยมาม า, ม า, มาไม่ได้มีอะไรติดตัวมาอยากจะให้ทางวัดเตรียมของไว้ให้วัดก็เาของที่ญาติโยมมาถวายนีย่เก็บไว้เพราะว่าวัดก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดมีส่วนเกินส่วนเหนือก็ เอาไว้สาหรับเวลาคนที่เข้ามาทำบุญแล้วเขาไม่ได้เตรียมของมาก็เอาของนี้ไปก็ได้บุญเหมือนกันคาถามต่อไปจากนาคุตินะคะข้าพเจ้ากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหากมีเวทนาทางกายบริเวณใบหน้าและบริเวณสีสะอย่างมากเนื่องจากฉายแสงมะเร็งนะคะเวลาปฏิบัติเราจะวางใจทําจิตใจไม่ให้อ่ ผูกกับความเจ็บปวดนี้ได้ยังไงเจ้าคะเราก็ต้องมีพุโทโธพุโทโธไว้ผูกใจไว้พยายามนึกถึงพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บของร่างกายต่อไปใจก็จะเฉยกับอาการเจ็บได้แต่ต้องพยันพุโทโธพุโทโธบ่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่จะมานั่งสมาธิเคียอย่างเดียวพยายามฝึกพุโทโธไปทั้งวันเลยลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธ ส่วนร่างกายจะเจ็บอะไรมันก็ปล่อยให้มันเจ็บไปตามเรื่องของมันต่อไปใจเราก็จะเฉยกับมันได้ คำถามต่อมาหน้ากุฏิเหมือนกันค่ะนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมรู้สึกไม่สบายใจเลยที่ไปยุ่งกับกรรมพระสงฆ์รูปหนึ่งที่กำลังเป็นข่าวโยมมีส่วนร่วมส่งข้อมูลให้กับสื่อเพราะโยมมีข้อมูลที่โยมประสบเองมาเมื่อสิบปีก่อนโยมไปวัดนี้ทุกๆเดือนและได้เห็นความไม่เหมาะสมเจ้าค่ะก็รู้ไว้เฉยๆไปก็แล้วกันไม่ต้องทาอะไร ถ้าทำอะไรไปแล้วถ้ารู้ว่าไม่ดีก็อย่าไปทำต่ออดีตมันผ่านไปแล้วเราไปลบมันไปล้างมันไม่ได้แต่เราอย่าไปสร้างอย่าไปทำซ้ำอีกทํารู้ว่ามันผิดรู้ว่ามันไม่ดีไม่ควรก็อย่าไปทำชีวิตเป็นการเรียนรู้ไปในตัวไม่มีใครจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดก็ต้องศึกษาไปดูไปเรียนรู้ไปอะไรผิดอะไรถูกก็จะค่อยๆสัมผัส ข, ขึ้นมา เราก็ใช้ปัญญาแยกแยะอันที่เป็นมันไม่ดีมันผิดเราก็อย่าไปทำต่ออันไหนที่ดีที่มีประโยชน์ก็ทำต่อไปค่ะจากญาติธรรมท่านนี้นะคะมีสามข้อค่ะข้อที่หนึ่งเลี้ยงลูกแมวเอาไว้หนึ่งตัวนอนกอดทุกคืน วันนี้ได้รับข่าวว่าจะต้องไปทํางานที่เมืองนอกค่ะไม่สามารถเอาแมวไปด้วยได้ต้องจัดการความรู้สึกยังไงในการที่จะต้องคิดถึงแมวมากๆในอนาคตค่ะก็อย่าไปคิดถึงมันดิแค่คิดถึงพุโทโธแทนเวลาคิดถึงแมวก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปแ เ, เดี๋ยวความคิดถึงแมวมันก็จะหายไปเอง ข้อที่สองนะคะย้ายมาอยู่บ้านสวนมีสัตว์ต่างๆเข้ามาอยู่ในบ้านมากแต่ที่ทนไม่ได้คือมแมลงมุมจะพยายามจับออกจาก บ, บ้านทุกครั้งค่ะจับออกไปได้ก็จะดีใจแต่ถ้าบางทีจับออกไปก็จะไปถูกเขาขาหาักบ้างหรือเสียชีวิตบ้างก็จะรู้สึกเสียใจอะคะ่ะหนูควรทํำยังไงคะควรจับหรือไม่ควรจับคะก็จับแบบไม่ทําให้เขาเกิด พิการขึ้นมาอย่าทำให้เขาขาหาักอะไรต่างๆหาวิธีจับที่ละมุนละม่อมถ้าจับได้ก็จับถ้าจับไม่ได้ก็ปล่อยเขาอยู่ไปอเอาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเขาแล้วก็อยู่ของเราเขาก็ไม่ได้มาทำร้ายอะไร เ, เราก็คิดว่าเป็นการทำบุญทําทานก็แล้วกันเขามาขอที่อยู่อาศัยเรามีพอที่อยาให้เขาอยู่ได้ก็ให้เขาอยู่ไปมีวิธีจับแบบไหนที่ทาให้จับแล้วไม่ทาให้เขาเจ็บเล ก่อที่คนพิการขึ้นมาเราก็จับไปข้อสุดท้ายค่อนข้างยาวนะเจ้าคะ่ะรู้สึกอิจฉาเพื่อนคะ่ะเพื่อนคือตัวตัวของผู้ถามอะคะ่ะมีเงินเดือนสูงกว่าเพื่อนมากแต่ก็มีโรคประจําตัวเหลือหลังอะคะ่ะต้องเสียค่าค่าหมอเนี่ยทุกเดือนสุดท้ายสิ้นเดือนเงินเดือนก็เหลือเท่ากับเพื่อน ที่ไม่ได้ป่วยอะค่ ะ, ะเหมือนเขามีความขยันเขาเลยได้เงินเดือนสูงแต่สุดท้ายเงินเดือนที่เหลือก็เหลือเท่ากับเพื่อนเขามีความอิดฉาที่เหมือนว่าเขาทำงานมาเขาต้องเอาเงินทั้งหมดไปรักษาตัวค่ะให้คุณหมอแต่เพื่อนเนี่ยคือได้เงินมาก็ก็เหลือเท่ากับเขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเขาถามว่าควรจะ จัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงอะค่ะที่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับการรักษาตัวเจ้ค่ะก็พระเจ้าบอกว่าเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเราเคยทําบุญทําบาปมามากน้อยไม่เท่ากันเราก็เลยมารับผลบุญผลบาปไม่เท่ากันนับางคนก็ทุกข์มากสุขน้อยกว่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะมีเงินมากแต่ก็ไม่ได้ใช้เงินนั้น เพราะว่าต้องเอาไปใช้กับการดูแลเลี้ยงดูรักษาตัวเองก็เป็นเรื่องของบุญของบาปของแต่ละคนเขรเรื่องของกรรมที่ติดตัวมาด้วยถ้าไม่อยากจะได้กรรมไม่ดีก็พยายามทำแต่กรรมดีอย่าไปทำกรรมไม่ดีอย่าไปทำบาปแล้วผลที่จะเกิดก็จะเป็นผลดีทำแต่บุญอย่าทำบาป คำถามจาก a c e b o o k นะคะผมเอาเงินค่าคีโมโรักษามะเร็งมารักษาแมวป่วยดีแล้วใช่ไหมครับก็เป็นการทำทานเสียสละก็ได้บุญ จาก youtube เจ้าค่ะสอบถามค่ะสามีสูบบุหรี่มาเป็นเวลา30สิบปีตั้งแต่เรียนหนังสืออยากเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้ทําอย่างไรดีคะพยายามหักดิบแต่ก็ทําไม่ได้เจ้าค่ะก็อยู่ที่ใจเราเท่านั้นถ้าใจเราจะเลิกมันก็เลิกได้ถ้าใจเราอยังไม่เลิกมันก็เลิกไม่ได้วิธีนึงก็พยายามอยู่ที่มันไม่มีบุหรี่ให้สูบ เป็นไปอยู่ที่ในป่าในเขาอะไรที่ไม่มีขายบุหรี่แล้วอย่าเอาบุหรี่ติดตัวไปพอมันไม่มีไม่มีบุหรี่สูบมันก็มันก็ไม่สูบได้แต่ถ้าเราอยู่ใกล้มันสะดวกที่จะหยิบมามันก็จะอดใจไม่ได้ในเบื้องต้นก็พยายามที่จะไปอยู่ห่างไกลจากมันก่อนแล้ววิธีที่สองก็คือพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้ใจสงบให้มีความสุขจากการนั่งสมาธิ แล้วความอยากสู่บุหรี่มันก็จะลดน้อยถอยลงประการที่สมก็คือให้เราเห็นโทษของบุหรี่สู่บุหรี่นั้นเสียหลายอย่างเสียเงินไปซื้อบุหรี่มาสูบเสียสุขภาพร่างกายก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเป็นมะเร็งในปอดขึ้นมาได้เสียชีวิตในเวลาอันใกล้อันอันไม่ควรจะเสียถ้าเรานึกถึงผลเสียหายที่ตามมาเราอาจจะกลัวผลเหล่านี้ก็ได้เราก็จะไม่กล้าสูบต่อไป มีสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็ไปอยู่ที่ไกลห่างไกลจากบุหรีไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครเข้าสู่บุหรีกันแล้วก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบให้มีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วความอยากจะสู่บุหรีมันก็จะเบาบางลงขั้นที่สามก็ให้เห็นโทษของบุหรีว่ามันทําให้เราต้องเสียเงินเสียทางเสียสุขภาพเสียชีวิตไปอันเวลาที่ไม่ควรที่จะต้องเสีย ถ้าเห็นทนําเหล่านี้ได้ก็สามารถเลือกได้ <c oughs> จาก youtube เจ้าค่ะปลวกอ่มันทําลายบ้านเราจะต้องกําจัดก็รู้อยู่ว่ามันบาปอะค่ะเราควรทําอย่างไรเจ้าค่ะ <c oughs> ก็มีคนเขายินดีจะทําแทนเราบริษัทกําจัดปลวกนี่เขาโฆษณาผมยินดีที่จะมารับใช้กําจัดปลวกให้กับคุณ <c oughs> คนก็ไปบอกเขาว่าที่บ้านเรามีปลวกถ้าเขาอาสามาเราก็ เราก็ไม่บาปแต่ถ้าเราจะเราไปเรียกเข้ามานี่บาปเข้าใจไหมถ้าบอกพี่ช่วยมากําจัดปลวกที่บ้านให้หน่อยอย่างนี้บาปเพราะเราไปสั่งเขาให้ทําแต่ถ้าเขาเพียงจะรู้ว่าเรามีปลวกมีปัญหาแล้วเขาอยากจะมาช่วยเราบริการเราเพีงแต่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายให้กับเขาไปอันนี้ก็ไม่บาปจาก facebook ค่ะคุณธีรัธนา คำถามถามว่าทําอย่างไรจึงจะอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์น้อมกราบในความเมตตาอย่างสูงเจ้าค่ะก็อยาอยากให้ทุกข์มันเป็นอย่างอื่นเลยมันทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปเหมือนกับผลไม้เนี่ยมันเป็นส้มเราอยากไปอยากให้มันเป็นกล้วยถ้าไปอยากให้มันเป็นกล้วยขึ้นมาเมื่อไหร่จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะมันไม่เป็นใช่ไหมอยากให้เป็นเป็นอยากให้ส้มกลายเป็นกล้วยแต่มันไม่เป็นเราใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรา ปล่อยให้มันเป็นส้มไปแล้วเป็นกล้วยไปเราไม่จะไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นใจของเราก็จะไม่ทุกข์เราอยู่ในโลกนี้เราต้องเจอทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นธรรมาดาเวลามาก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอืง่นไปเวลาสุขก็อย่าไปอยากให้มันอยู่ไปนานๆอย่างนี้ก็เวลามันไปมันก็จะทําให้เราทุกข์เวลาทุกข์มาอยากจะให้มันหายไปเร็วๆมันไม่ไปมันก็จะทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเราทําใจเฉยๆได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมัน วิธีจะทำใจให้เฉยก็ต้องฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆการนั่งสมาธินี่ก็การฝึกทำใจให้เราเฉยนิ่งเฉยนั่นเองต่อไปเราเจออะไรสภาพดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราก็จะเฉยได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน ค่ะจาก y o u t u ด e อกตรวีนะคะเวลานั่งสมาธิจะมีเสียงดังรอบตัวตลอดเวลาเลยค่ะเช่นหลังคารั่นประตูรั่นบางครั้งก็เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติแล้วพยายามไม่ใส่ใจพูดโธไปเรื่อยๆเสียงเหล่านี้เมื่อใดจะหมดไปคะ อ, อ๋อเสียงมันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่มีเหตุมีปัจจัยถ้ามีเหตุให้มันมามันก็ม า, ามีเหตุให้มันหายไปมันก็หายไปเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ เราต้องทำใจท่านเองก็อยู่กับมันไปแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ทำใจเฉยๆไปเหมือนฝนตกแดดออกนี่เราไปสั่งมันไม่ได้ฝนจะตกเราจะไปห้ามมันไม่ให้ตกก็ไม่ได้ฝนแรงจะให้มันตกมันก็ไม่ก็ไม่ตกแล้วเราต้องหัดอยู่กับมันไปฝนตกก็อยู่กับมันไปฝนแรงก็อยู่กับมันไปเฉยๆไปใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย จาก i ินบ x เจ้าค่ะนามส ก, การค่ะขออนุญาตสอบถามเจ้าค่ะเมื่อสักครู่โยมนั่งสมาธิตั้งแตเ่เริ่มตอนบ่ายสองโมงแรกๆโยมฟุ้งั่านมากคิดแต่เรื่องงานไม่มีทุกขเวทนาแต่พอหลังจากพระอาจารย์สอนทำเสร็จสักระยะหนึ่งโยมนิ่งได้ว่างเปล่าโยมรู้สึกรีบเก็บเกี่ยวไว้ต่อมาก็ดิ่งอีกและก็มานั่งนิ่ง โล่งโปร่งโยมจึงไม่ยึดไว้เฉยๆจึงนิ่งได้หมดเวลาจนหมดเวลาเจ้าค่ะถ้าเป็นแบบนี้โยมควรพัฒนาแบบไหนเพิ่มเจ้าคะก็ทําแบบนี้เพิ่มทําบ่อยๆขึ้นแทนที่จะนั่งเพียงชั่วโมงหนึ่งก็นั่งหลายหลยหลายครั้งวันวันหนึ่งแทนที่จะนั่งหนึ่งรอบก็นั่งสองรอบสามรอบทําให้มากขึ้นความชํานาญก็จะมากขึ้นความสงบก็จะมากขึ้นตามมา หมดแล้ ว, ล ว, วเหรอคะมีใครอยากจะถามไหมที่นั่งอยู่ที่นี่เข้ามาได้ต้องมามาพูดฐ่านทางไม้จะได้จะได้ยินเสียงกันทั่หน้าต <c oughs> อนนี้จะทางทางนี้เคยมีคนบอกว่าให้ถามตัวเองว่า กิจที่ต้องทําในแต่ละวันทํากิจที่ต้องทําทําเสร็จหรือยังอะคะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อธิบายค่ะว่ากิจที่จะต้องทําคืออะไรอะคะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรกิจที่เราจะต้องทําอะคะ่ะมันก็มีสองอย่างกิจเกี่ยวกับร่างกายอันนี้ดูร่างกายกินข้าวอาบน้ําน้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวอนะไนี้ก็เป็นกิจสังร่างกายหรือทางเราเป็นแม่บ้านเราก็ต้องกวาดบ้านถูบ้านทําอาหารนี่ก็เป็นกิจที่เราต้องทํา นั่คือกิจทางร่างกายส่วนกิจทางใจก็มีอยู่สามข้อด้วยกันทำทานรักษาศีลภาวนากระถามวันนี้เราทำบุญบ้างวันนี้เราทำทานบ้างหรือยังใส่บาตรหรือเปล่าหรือใบจากเงินให้ใครบ้างหรือเปล่ารักษาศีลห้าได้หรือเปล่านั่งสมาธิบ้างหรือเปล่าฟังเทศฟังธรรมบ้างหรือเปล่านี่ก็มีค่ากิจต่างๆมีสองกิจกิจทางกายกับกิจกิจทางใจค่ะกลับนาสกาและกลับขอบพระคุณค่ะ จาก Facebook นะคะมีสามีก็ติดเล่ามีลูกก็ติดเล่าค่ะดิฉันทำกรรมอะไรมาเจ้าคะก็ไปเลือกเขานี่ถ้าไม่ไปเลือกเขาก็ไม่มีไม่มีปัญหาตามมาเราไปชอบเขาน่กรรมงเราคือไปชอบเขาเลือกคนแบบไม่ไม่ไม่ดูก่อนว่าเขาเป็นคนแบบไหน ก็ต้องสังเกตดูว่าเขาเป็นคนดีไม่ดีเขาติดอะไรหรือเปล่าเขาติดยาเสพติดหรือเปล่าติดเที่ยวหรือเปล่าติดการพนันหรือเปล่าถ้าเจอคนแบบนี้ก็อย่าไปเลือกเขาเราไม่ฉลาดเองเราเป็นคนไปเลือกเขาเองเขาไม่ได้บังคับเราให้เราไปอยู่กับเขาใช่ไหมเราเป็นคนตัดสินใจจะไปอยู่กับเขาเราจะไม่มองส่วนอื่นมองหน้าตาเขามองกระเป๋าเขาแต่ไม่มองเขานิไม่มองนิสัยเขา พอไปอยู่กับเขาก็เลยไปเจอนิสัยที่ไม่ดีขึ้นมาก็ทำให้เราต้องทุกข์ขึ้นมาดันั้นก่อนจะซื้ออะไรก่อนจะเลือกอะไรต้องดูให้รอบคอบก่อนอย่าดูแต่เฉพาะผิวเผินของบางอย่างที่เขาขายเนี่ยดูข้างนอกก็ดูสวยงามพอเปิดเข้าไปข้างในนี่ไม่ได้เรื่องอะไรก็มีอาหารขนมบางทีดูน่ากินพอมากินเข้าจริงๆไม่อร่อยก็มีงั้นต้องมีการทดลองก่อนมีการชิมก่อน สมัยโบราณเขาจึงนิยมให้มั่นกันก่อนอย่าเพิ่งแต่งงานกันให้ทําความรู้จักกันสักปีหนึ่งก่อนอ่าจะได้รู้จักนิสัยใจคอว่าเป็นอย่างไรติดเล่าติดรุ่ยหรือเปล่าติดการพนันหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นยังไม่มีเจ้าค่ะยังต้องรอบครอบจะทําอะไรต้องคิดให้รอบคอบชีวิตของคนเราไม่มีด้านเดียวมีด้านด้านบวกด้านลบ ส่วนใหญเวลาเราเจอกันนะมั่งจะเอาด้านลบเก็บไว้ข้างหลังเอาแต่ด้านบวกออกมาเวลารู้กันรู้จักกันใหม่ๆเอาใจอกเอาใจกันยินดีช่วยเหลือกันรับใช้กันแต่พออยู่ด้วยกันแล้วทีนี้ทนันทีจะช่วยเหลือกันกับตัวใครตัวมันะนิสัยเดิมก็จะออกมาเพรพอเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้คือได้เราไปแล้วเอาได้เราไปแล้วขเขาก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมา แสดงความดีงามกว่าเราอีกต่อไปเพราะว่าจะใช้นิสัยเดิมของเขานิสัยเดิมขเขาเป็นอย่างไรมันก็จะออกมาในตอนในตอนหลังได้เห็นทางโบราณถึงบอกว่าให้คบค้าสมาคมกันไปก่อนให้ดูจิตใจกันไปก่อนถ้าซื้อรถก็ไปลองขับก่อนใช่ไหมไม่ใช่ไปเห็นว่าคันนี้ปั๊บดีปั๊บเอาเลยเราก็ต้องอมั่นใจก่อนว่ารถที่เขาขายนี่เป็นรถที่ดีหรือไม่ถ้าเป็นบริษัทที่มีชื่อมีเสียงก็อาจจะไม่ต้องลองก็ได้ เรี๋วเขารับประกันว่าถ้าซื้อแล้วมีปัญหาก็เอามาเปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ต้องต้องยอมรับกับผลที่จะตามมาจากการไม่รอบคอบของเรามีใครอยากจะถามงงอีกไหมได้ได้เชิญจะ้ะ ค่ะก็คืออยากจะขอคําแนะนําพระอาจารย์นวสการค่ะก็คือว่ามันจะมีบางวันที่กลับมาจากทํางานแล้วมันเหนื่อยค่ะแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่อยากจะสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะหนูก็เลยอยากจะขอคําแนะนำมาค่ะว่าควรจะบอกตัวเองว่ายัายงไงดีค่ะที่แบบถึงจะเหนื่อยเราก็ต้องจําเป็นจะต้องทํามันเป็นสิ่งที่ควรือ<ำ>การสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นการให้อาหารกับจิตใจเหมือนกับร่างกายเราถึงเวลากินอาหารเราก็ต้องกิน บางเวลาเราก็ไม่อยากจะกินแต่เรารู้ว่าถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวมันจะหิวเราก็เลยฝืนกินไปให้มันอีกเหมือนกันการสวดมนต์บางเวลาเราก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะสวดแต่เราต้องถึงผลว่าการขาดการสวดมนต์จะทําให้ใจเราวุ่นวายใจเราไม่สงบไม่เย็นไม่สบายถ้าอย่างนี้เราก็ฝืนทําไปนอกจากว่ามันเป็นสวดวิสัยจริงๆไม่ไหวจริงๆก็ขอเลื่อนเวลาไปก่อนหรือขอติดขอติดไว้ก่อนค้างไว้ก่อน แล้ววันพรุ่งนี้มาชดเชยทำสองเท่าอย่างนี้ไปแต่ต้องต้องทำนะไม่ใช่ไม่ใช่ติดไว้แล้วก็ไม่ใชอมันจะได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียนิสยัยมันก็จะขอเลื่อนไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะอยังไม่มีเจค่ะชค่ะ จะรอสักพักหนึ่งเผื่อจะมีคนพิมพ์ข้อความเข้ามาอยูอ่ชีวิตของเรานี่มันต้องมีการกําหนดตารางมันถึงจะเคลื่อนไหวไปได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการได้ถ้าเราปล่อยให้เป็นตามอารมณ์มันก็อย่างเนี้บางเวลาก็อยากจะทําก็ทําเวลาไม่อยากจะทํามันก็ไม่ทําส่วนใหญ่มันจะไม่ทํามากกว่าเพราะกิเลสมันไม่ชชอบทําของดี มันชอบไปทําของไม่ดีกันงั้นเราต้องกําหนดเวลาชีวิตของเราวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเงี้ยเตยขึ้นมาชั่วโมงแรกทําอะไรทําเกี่ยวเกี่ยวล้างหน้าล้างตาอาบน้ําแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวขั้นต่อไปต้องทําอะไรก็ทําเป็นตารางเวลาที่เราไปโรงเรียนเนีาก็มีตารางเรียนใช่ไหมชั่วโมงนี้เรียนภาษาอังกฤษชั่วโมงนี้เรียนเรียนคณิตชั่วโมงนี้เรียนประวัติก็ต้องมีตารางกําหนดเวลาของการการทำ แ้วชีวิตของเราก็จะได้ขับเคลื่อนไปตามตารางได้แต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเรือใบที่ไม่มีหางเสือเรือมันก็จะวิ่งไปตามกระแสน้ํากระแสลมลมเปลี่ยนทิศมันก็ไปเปลี่ยนทิศไปตามลมมันก็จะไม่ไปตามตจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ชีวิตของเราคือคเราต้องการให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความจเจริญเราก็ต้องทําตารางไว้สำหรับ ก, กา ร, ราทําความดีเพราะความดีเป็นเหตุที่จะทำให้เราสุขให้เราเจริญ ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์เวลาอารมณ์ดีก็ทําดีเวลาอารมณ์ไม่ดีก็ทําไม่ดีก็เป็นเหมือนเหมือนเรือที่ไหลไปตามกระแสน้ํากระแสอารมอเอารลมเปลี่ยนทิศเรือก็ต้องเปลี่ยนทิศไปตามกระแสโอเควันนี้ยังไม่มีคําถามใช่ไหมไม่มีก้าวท่านนี้ก่อนสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ